อากาศร้อนผิดปกติมาได้สองวันละวันก่อนถ้าจะหวก่าสามวัน่ะวะก่อนหน้านี้ก็ร้อนพอสมควรอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองวันอาทิตย์ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสองกับที่ทํำหีบขาานั้นก็โอ้โหร้อนมากสรุปแล้วก็คือผิดปกติไม่น่าร้อนถึงขนาดนี้เพราะว่าฝนลงมากแล้วในนีมันก็เข้าเดือนมิถุนาแล้วจะเข้าเกินเดือนกรกฎาแล้ว สรุปแล้วก็คืออากาศแปรปวนอากาศพิปริดแต่ระวังถาดขันร่างกายของเราเท่านั้นะจะเป็นหวัดได้ง่ายช่วงนี้แต่ลักษณะอย่างนี้สะบัดร้อนสะบัดหนาวถ้ามีอะไรผิดปกติเท่นั้นรักษาเท่าที่จะรักษาได้นถ้าไม่รักษาก็ใช้ไม่ได้นานถ้ารักษ า, าใช้ได้นานหน่อยถ้าไม่รักษาก็วิปริตได้ง่ายการ ปฏิบัติธรรมของพวกเราที่เป็นนักพจนักบวชเราต้องมีหนักแล้วก็ต้องมีเบาแล้วก็ต้องมีหนักในตามตามการอันควรถ้าว่าเราไม่มีการฝึกหัดดัดตัวเองเลยอยู่เป็นวันวันอันนั้นก็จิตใจก็ไม่ก้าวหน้าถ้าเราฝึกอย่างเข้มแข็งจริงๆอันนั้นดี แต่ก็ทางร่างกายจะไม่ไหวเราก็ต้องยืดดุ่นลงบ้างแต่เราจะไปตามใจหรือว่าตามความรู้สึกของเราก็คงจะเป็นการมัสุขันลิกาย่อหย่อนอย่างนากที่มาอยู่พึ่งกลับไปอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือไม่สู้แต่องค์อื่นองค์อื่นเขายังสู้ตัวเอง ไม่สู้แต่ตามให้จริงการเป็นนักพจนักบวชไม่ใช่สู้ในการทําการทํางานไม่ได้สู้เรื่องอยู่สุขสบายไม่ได้สู้อย่างอื่นถึงจะอยู่สุขสบายขนาดไหนแต่ใจของเราไม่ได้รับการฝึกหัดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการฝืนไม่ได้รับการเสี่ยมสอนพวกเราจะไม่รู้ว่าบวชเข้ามาในเพื่ออะไร บวชเข้ามาก็คิดว่าโอ้ดูสบายไม่มีอะไรไม่ได้มีงานงานก็ไม่หนักเราอยู่แบบไม่มีงานแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าการบวชเข้ามานี้จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นคืออะไรอันนี้เราไม่ได้ศึกษาเห็นแต่ว่าบวชเข้ามาแล้วสบายเพราะ้พอสบายไปสบายมานี่มันไม่ใช่อย่างอื่นเลย ใจของเรามันไม่สบายใใจของเรามันปั่นปวดใจของเรามันคิดปุ่งฟุงซ่านถึงร่างกายจะสบายก็เถอะนะใจมันออกแล้วใจมันฟุงซ่านแล้วบังคับไม่อยู่แล้วท่ไหบังคับไม่อยู่พน้นเฉยกระเด็นกระดอนเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ตนไปไม่รู้สาเหตุว่าบวชเข้ามานี้จะต่อสู้ที่ตรงไหนจะพิจารณาตรงไหนจะกาจัดที่ตรงไหน จะปฏิบัติอย่างไรในการบวชเราไม่ได้ศึกษามา ก, ก่อนแต่แตามยิ่งเมื่อเราศึกษาแล้วการบวชเป็นนักพจนักบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมาฐานอยู่ในป่านบวชเข้ามาเพื่อดูจิตใจเพื่อสู้กับอารมณ์ทางจิตใจแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเราต้องดูใจของเราใจของเราวันไว้กลวยแกลไปทางไหนแต่ละวันแต่ละเวลาอันนี้เราให้สังเกตเอาสติจับจุดจุดนั้นนั่นแหละ ถ้ามันใจมันหวั่นไหว้กลแงงมันมันไหวโกลแงงเพราะอะไรทําไหมตัวไหนเป็นผู้มาเสริมมันถ้ามันไม่พอใจมันโมอารมณโมโหโทโสโกรธาขึ้นมาอันนี้คือความโกรธนะอารมณ์เข้ามาทางโกรธนั่นเองนะร้อนนะเนี่ยเพราะมันไม่ศบอารมณ์มันไม่สปกับเรื่องต่างๆที่มันได้พบได้เจอมามันไม่พอใจอารมณ์โกรธนั่นเองนะถ้าอารมณ์รักอารมณ์ชอบ ได้ยินเสียงเห็นคู่คนหญิงชายที่มาเกี่ยวข้องเพราะอกพอใจอันนี้เราก็รู้อีกว่าอันนี้คือราคะนะอันนี้คือมันออกมาจากจิตใจนะตัวนี้เป็นตัวราคะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดูอีกเหมือนกันนะอันนี้คือตัวราคะนะนี่แหละถ้าว่าเราโลกอยากจะมีความสุขอยากอยู่แบบสบายๆเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดอันนี้ว่าโลกอันนี้ก็คือกิเลสอีกตัวนะ แต่ต้นปลายสาเหตุทั้งหมดมาจากความหลงมาจากความหลงคือโมหะตัวอวิชชาอาวิชชาเนี่ยคือตัวไม่รู้โมหะความรุ่มหลงัลงวเมานี่แหละกิเลสตราทะโทสะโมหะโมหะคือความไม่รู้แต่ท่าในนี้ในการพระพุทธปฏิบัติของพวกเราเราจะทำแบบเออละเหยอลอยลมไปเรื่อยๆเป็นวันๆไปมันไม่ถูกนะ ขอบอกกล่าวไว้พวกเราทุกๆท่านต้องมีหนักต้องมีเบาบางวันเราก็ต้องหนักบางช่วงเราต้องหนักอดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างฉันน้อยบ้างไม่ฉันเฉลยบ้างอดเป็นหลายๆวันบ้างพยายามนั่งบังคับนั่งทั้งคืนบ้างเดินโยกมมได้หลายชั่วโมงบ้างนั่งหลายหลายชั่วโมงบ้างสิ่งเหล่านี้อันนั้นก็คือฝึกหัดดูใจของตนเองมันต้องมีหนักมันต้องมีเบา ไม่ใช่ว่าจะทําเป็นวันๆไปเอือละเหยไปแต่วันๆไปอาจนรยนแปลว่าไม่ใช่มาผู้มาฝึกหัดดัดนิสัยถ้ามูผู้มาฝึกหัดดัดนิสัยเร า, าดดต้องรู้จักตนเองอย่าให้ครูบาอาจารย์บอกทุกอย่างให้เป็นเทคนิคเทคนิคของตนเองให้เป็นความรอบคอบของตนเองให้เป็นเรื่องของตนเองครูบาอาจารย์มีแต่วันแนะนําบอกกล่าวพิธีการเท่านั้นเอง แต่ชวนตัวเองน่าจะต้องนําไปประพฤติธปฏิบัติต้องรู้จักช่วงไหนควรหนักช่วงไหนควรเบาช่วงไหนควรจริงจังช่วงไหนควรผ่อนคลายช่วงไหนควรจับยืดหยุ่นดูแลธาตุขันแต่ช่วงไหนควรจะทรมานกายและจะทรมานใจนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกับตํารวจทหารหน้าที่การงานทุกอย่าง ก็ต้องมีการติวเข้มแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าพ่อเข้าไปแล้วก็อยู่เปน็นวันวันวันวันไปอันนั้นแปลว่าจะเป็นทหารก็หมดสภาพจะเป็นตำรวจก็หมดสภาพเป็นอยู่ในระดับเหนือก็หมดสภาพแต่เป็นพระก็หมดสภาพเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมนั่นน่ะเราจะไปถือว่าเขาทรมานตนไม่ได้นะอันนั้นใครเข้าแบบติวเข้มเพื่อ จะต่อสู้กับผู้ต่อสู้เราต้องฝึกฝึกให้เข้มข้นเมื่อฝึกเข้มข้นแล้วทีนี้เราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดเราก็ไม่เป็นหลองใครอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกหัดอย่างนั้นดังจิตตภาวนาของพระนี่ก็เหมือนกันในการเดินจงกรมการนั่งภาวนาปฏิบัติจิตตภาวนาอดนอนพอด อ, อาหารอันนี้เราจะเห็นผลต่อไปภายภาคหน้าในการ ประพฤติปฏิบัติของตนแต่ถ้าเอามาพวกเราอยู่ตามลําพังฉันตามลําพังอยู่ตามลําพังไม่ได้ฝึกขัดไม่ได้ติวเข้มสําหรับตนเองแล้วจะไม่มีสิ่งที่จะเตือนใจของเราได้นะพนากการฉันก็ต้องระวังในสิ่งไหนที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับธรรมจะเป็นพิษเป็นภัยกับธรรมธรรมธรรมะที่อยู่ในจิตใจนะถ้าฉันตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจ พูดคุยตามอำเภอใจอันนั้นผิดธรรมกิเลสอยู่ในจิตใจมันจะพอกพูดกิดเลสราคะโทสะโมหนะมันจะพอกพูดแต่ถ้าว่าเราพยายามฝึกหัดนั่งสมาธิฉันให้น้อยพักผ่อนให้น้อยพูดคุยให้น้อยอยู่ตามลําพังพยายามสังเกตใจตัวเองดูใจของตัวเองแต่ละวันพยายามนั่งให้นานเป็นช่วงๆพยายามปลีกตัวถ้าเราทดลองปลีกตัวดูสิมันเป็นยังไง ถ้าเราปีกตัวเป็นหุดหงิดหุดหงิดหุดหิดอยู่ไม่ได้อยากจะไปคุยกับหมูอยากจะมาหาหมูนั่นแหละตัวนั้นแหะคือตัวกิเลสมันมันอยู่ในใจจะไปหาที่อื่นหากิเลหหาอยู่ตัวนั้นตรงนั้นน่ะตัวนั้นแ่ะ ต, ตัวที่มันจะกวนต่อไปภายภาคหน้าเราต้องพยายามบังคับให้อยู่มึงจะไปไหนใช้ภาษาพ่อคุณลามแล้วมันเออบังคับตัวเองลักษณะนี้มึงจะไปไหนเอแสดงว่ามึง จะออกนอกลูนอกทางแล้วใช่ไหมนี่แหละอันนี้ก็ต้องบังคับถ้าอยู่ให้ได้ในเมื่อเราอยู่บังคับอยู่ให้ได้บังคับให้อยู่อยู่ได้ให้หยุดได้ให้ไปได้ให้หยุดได้ไม่ให้ฉันได้ให้ทำได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมนั่นแหละถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้มีกฎเกณฑ์ธรรมะจะเข้าสู่จิตใจจิตใจของเราจะรมเย็นเป็นสุขเพราะว่ากัน เขามาบวชจะไม่ใช่มาบวชอย่างอื่นนะบวชฝึกขัดดัดนิสัยดูใจตนเองเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจแต่มันอาศัยร่างกายอาศัยร่างกายในการเป็นอยู่แต่ถ้าเราจะชำํำระใจเราก็ต้องอดทนทางกายด้วยถ้าอดทนทางกายมันก็จะถืงกระเทือนถึงใจแต่ถ้าว่าเรา ปล่อยตามร่างกายร่างกายชอบยังไงทำอย่างนั้นผลในจุดใจของเรามันก็ไปตามร่างกายกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็พอกพูนเพราะนั้นในหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ป่าโดมพงไพน์เนี่ยท่านฝึกหัดตัดที่ใส่จุดนี้นะคอยปล่อยพวกเราทุกๆองค์นะเี่ยพูดท้งนี้ทั้งนั้นเป็นการบอกกล่าวตักเตือนย้าพวกเราอย่าให กิเลสายต่ำเข้ามาเหยียบย่ำดังจิตใจของเราบวชเข้ามาให้รู้จังว่าบวชเข้ามานักบวชกงคืออะไรสู้ทางด้านจิตใจให้ดูอารมณ์ทางจิตใจไม่ใช่อย่างอื่นนะคือนี่คือพระกรรมฐานอย่างพวกเราทันทั้งหลายรับผ่อนอนมูตนาให้ผ่อน